8. สิงาละกะสูตรว่าด้วยสิงาละกะมานบ 242. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงรัชครืสมัยนั้นสิงาละกะขหะบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงรัชครืมีผ้าเปียก มีผมเปียกประคองอัญเชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนสองร้อคลัดในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตลวาศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชฤกษ์เพื่อบินทบาท ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาละกะขหบดีบุตรผู้ลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชครื้มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศ ท, ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนแล้วได้ตรัสถามสิงคาละกะขหบดีบุตรดังนี้ว่า ข้าบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงรัชครืมีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศ ท, ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนอยู่เพราะเหตุใดสิงค์าละกะข้าบดีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ บิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แนะ่ลูกเจ้าพึงไหว้ทิศทั้งหลายข้าพระองค์สักการะเคารพนับถือบูชาคําของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงะะราชคฤื้มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนอยู่ทิศห244พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาบดีบุตรในอริยวินยัยเขาไม่ว่ายทิศหกกันอย่างนี้สิงคาล ก, กะขะหบดีบุตรทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในอริยวินัยเขาไหว้ทิศห ก, กันอย่างไรขอประธานวาโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศหในอริยวินัยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขะหะบดีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว สิงคลักกะขหบดีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาบดีบุตรอริยสาวกละกรร ม, มกิเลสสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่คล้องแวะอบายมุกหกประการแห่งโภคะทั้งหลายอริยสาวกนั้น เป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศ6ประการเพื่อคลองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กัมกิเลสส245 กามกิเลสสประการที่อริยสาวกละได้แล้วอะไรบ้างคือหนึ่งกามกิเลสคือปาณาติบาต 2. องกามกิเลสคืออธินาทาน 3. ามกามกิเลสคือกามเมสุมิจฉาจาร four กามกิเลสคือมุสาวาทกามกิเลสสี่ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาค ผู้สุคสดาคลั้นตรัสเวียกรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมเมกเล็บัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญเหตุสีประการ 246อริยสาวกไม่ทําบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการอะไรบ้างคือปุถุชน 1. ย่อมถึงฉันทาคติลำเอียงเพราะรักทําบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทสาคติลำเอียงเพราะชังทําบาปกรร ม, ย ม, รยรรรม 3. ย่อมถึงโมหาคติลำเอียงเพราะเคล้าทําบาปกรรมส ย่อมถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวทำบาปกรรมส่วนอริยาสาวกหนึ่งย่อมไม่ถึงฉันทาคติ 2. ย่อมไม่ถึงโทสาคติสย่อมไม่ถึงโมหาคติสย่อมไม่ถึงพยาคติอริยาสาวกย่อมไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสประการนี้พระผู้มีประภาคผู้สุคตสาสดา คลันตรัสเวยากรณภาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติ โมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นอบายมุกหประการสองอริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุกหประการแห่งโภคะทั้งหลายอะไรบ้างคือหนึ่ง การหมกมุ่นในการเสพของมินเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุกแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุกแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุกแห่งโภคะทั้งหลาย 4. การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุกแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุกแห่งโภคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุกแห่งโภคะทั้งหลาย โทษแห่งสุราเมรัย6ประการ248คบดขะหะบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือหนึ่งเสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลวิวาท 3. เป็นบ่อกเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงห เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย 6. เป็นเหตุถอนกำลังปัญญาข้าบรีบุรการหมกมุ่นในการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แหละโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการ 249. คหะบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษหประการนี้คือหนึ่งชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างห 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่เป็นจริงหกทำให้เกิดความลำบากมากหลายอย่างขหะบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษหกประการนี่แหละโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพหกประการสองร้อยห้าสิบ ขหบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีการฟ้อนรําที่ไหนไปที่นั่น 2. มีการขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4. มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. มีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่นห มีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นข้าบดีบุตรการเที่ยวดูมหระศพมีโทษหกประการนี้แหละโทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทหกประการ251หข้าบดีบุตร การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 4. ถ้อยคำเป็นพยานในสารก็เชื่อถือไม่ได้ 5. ถูกมิตรอมารดูหมิน่นห ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้ข้าบดีบุตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษหประการนี้แหละโทษแห่งการครบคนชั่วเป็นมิตรหประการ 252คหบดีบุตรการหมกมุ่นในการครบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้คือ1นึ่เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. องเขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. ามเขามีนักเลงเหล้าเป็นมิตรสหาย 4. ี่เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหายห เขามีคนโกงเป็นมิตรสหายหกเขามีโจรเป็นมิตรสหายขหาบดีบุตรการหมกมุ่นในการครบคนชั่วเป็นมิรมีโทษหประการนี้แหลโทษแห่งความเกียตคร้านหประการ253คหาบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียตคร้านมีโทษหประการนี้ 1. หมักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงานหมักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลสผัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปข้าบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียดคร้านมีโทษหประการนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคศสาสดา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 การเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น 3. การผูกเวร 4. ความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหาย 5. การมีมิรชั่ว 6. ความตรณีจัดย่อมทำลายบุรุษให้พีนาศคนมีมิรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติ ช, ชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้า เหตุ6ประการนี้คือ 1. นักเลงการพนันและนักเลงหญิง 2. นักเลงสุรา 3. ฟ้อนรำขับร้อง 4. นอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืน 5. การมีมิตรชั่ว 6. ความตรณีจัดย่อมทำลายบุรุษให้พินาศผู้ใดเล่นการพ น, นันดื่มสุลา ล่วงละเมิดหญิงผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบคนเลวไม่คบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมเะนั้นผู้ใดดืด่มสุราไร้ซับไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจะจมลงสู่นี่เหมือนก้อนหินจมน้ำจะทำความมัวหมองให้แก่ตนทันที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 ไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่ายญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขมิตรเทียม254หบขะหะบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคือหนึ่ง คนถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 2. คนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม4คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 255ข้หาบคหะบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสี่ประการคือหนึ่งเป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2. เสียน้อยปรารถนาได้มาก 3. เมื่อตัวเองมีภัยจึงทากิจของเพื่อนสี่ คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ขาหาบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสี่ประการ น, นี้แหล256หบขาหาบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสี่ประการ น, นี้คือหนึ่ง กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังมาไม่ถึงส ม, สมสมเกล็ดด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องข้าหะบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสี่ประการนี้แล สองร้อยห้าสิบเจ็ดขหะบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึ่งทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสี่ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม 2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตามสสารเสรญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังขหะบดีบุตร คนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสี่ประการนี้แล258หบดขหะบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักนําในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสี่ประการคือหนึ่งเป็นเพื่อนชักนําให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัย อัน <erte> เป็นเหตุแห่งความประมาทสองเป็นเพื่อนชักนำให้มกมุ Ooh, <angi> ่นในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนสามเป็นเพื่อนที่ชักนำในการเที่ยวดูมหรสศพสี่เป็นเพื่อนที่ชักนำให้มกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทขหบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อม พึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุสี่ประการนี้แล259หพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาคลั้นตรัสเวียกรณาพาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้สี่จำพวกนี้คือหนึ่งมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียว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 คนสีจำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือหนึ่งมิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีสามมิตรแนะนำประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีสี่มิตรมีความรักใกล้พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 261รหบดข้าหะบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือหนึ่งป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วสามเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพานักได้สเมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้น ก็ช่วยโภคทรัพย์ให้สองเท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นขหาบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการนี้แล2 6องรหกบดีบุตรมิตรร่วมสุกร่วมทุกเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือหนึ่ง บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้ขหบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกเธอเพิ่งทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการ น, นี้แหละสองหขหบดีบุตร มิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสีประการคือ 1. หห้ามมให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้ขหาบดีบุตรมิตรแนะนาประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุสี่ประการนี้และหละ6 4งหบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อนสี่ สนับสนุนคนที่สารเสริญเพื่อนข้าหะบดีบุตรมิตรมีความรักใกล้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการนี้แหละ6 5พระผู้มีพระภาคผู้สุคสดาครั้นตรัสเวยากรณภาพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า บุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุกร่วมทุกข 3. มมิตรแนะนำประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนนั้นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมสว่างโชดช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโคพคาซั์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคาซั์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุด จ, จอมปลวกที่ตัวปลวกกอกขึ้นเช่นั้นคฤหัดนายตะกูลผู้สามารถคลั้นรวบรวมโคพคาซั์ได้อย่างนี้แล้วพึ่งแบ่งโคพคาซั์ออกเป็นสี่ส่วน คือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยา ม, มีอันตรายจึงผูกมิดไว้ได้